ลองธรทำตามการตามเวลาเป็นมงคลเอ็นเช่าขึ้นมาสอดยายธรรมำพิสูจน์ตองคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนนั่นเหลานี้การนี้ แล้เราก็มาปฏิบัติในช่วงสัปดาห์แห่งการตัดสัลูองพระบุทธเจ้าตานไปแล้วเมื่อวานนี้ขณะนี้องค์คงจะประทับอยู่ที่โพธิบันลัง ว่าบาปหนูภาพดูพ่มีความสำเร็จขนาดนี้ของเจาะทบถวนเป็นมาอย่างไรเลี่ยนแปลงมาขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรบ้างในพระสูตรก็กล่าวว่าทบถวนปฏิจสมุปปบาท <c oughs> <c oughs> ที่ทำให้เกิดขึ้น ตามลำดับเพาะฉิงนี่มีฉิงนี่จึงมีฉิงนี่ไม่มีฉิงนี่ก็ไม่มีดูจากที่ไปที่มาคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วทางตรนไหนที่ผ่านมาก็ลำดับดูไม่ผิดแน่นอนที่สุด บันทึกลงไปในหัวใจในชีวิตของพระ อ, องค์ว่าถ้าจะเป็นออพเปเตอร์ก็จดลงไปที่ชีวิตจริงๆมันเป็นชีวิตในสัปดาห์นี้เจ็ดวันนี้ทบทวนเรื่องนี้เพราะคนมีความสำเร็จสูง ผูทุชนสามัญชนทำให้เกิดพุทธภาวะขึ้นมารู้กแจ้งโลกรู้จบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่ในกายในใจดวงพ้นได้ทุกอย่างก็รับดับได้ดีมั่นใจ วางแผนที่จะไปสอนผู้อื่นเมื่อได้สิ่งใดดีก็ายอมคิดถึงคนอื่นเหมือนพ่อแม่ได้ของดีก็ยยอมคิดถึงลูกประมั่นใจเป็นประโยชน์ขนาดนี้หลุดพ้มนมรดดานที่จะอยู่นิ่งไม่ได้ กตือื่อล่นสปราที่สองก็ในพระสุก็บองสีมหาโพอย่างไม่กระพริบตามีความมั่นใจมีความภูมิใจในต้นสีมหาโพอย่างไม่กระพริบตา พิจิดีธรรมดาคนเรานี่เมื่อทำอะไรสำเร็จก็ย่อมจะมีความภูมิใจบ้างนั้นเราเรียนหนังสือจบคนสนงสูงๆก็จะภูมิใจแบบนี้พวกเราเนะนี่ยฐานะผู้ เป็นพุทธบริศต์จะทำอย่างไรมันก็อยู่ที่ตัวเราทุกชีวิตน้องมาใส่ตัวเราแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังคำเทศคำสอนแด้พระสู่ต่างๆมาได้จนเลย คำเทศคำสอนในพระสูตรนั้นก็มีอยู่ที่กายที่ใจเรานี่แเราก็เห็นกันอยู่อะไรเป็นเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเป็นสิ่งที่ถูกทาไม่เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกคือทำอย่างไรล้วก็ทำได้มีสติดูกายดูใจ อันไหนที่มันเกิดขึ้ น, นกับกายมันแสดงว่าเห็นหมดความผิดความถูกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจความผิดคงถูกก็มาให้เห็นหมดเปิดตัวเองมีสติดูกายตามวิชากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญมานั่งคู่แขนเข้าแยกแขนออก มีสติสิงที่เกิดขึ้นกับกายก็สักแต่ว่าสิ่ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็สักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิกตวว ก, กับใจก็สักแต่ ว, ว่าเป็นคําตอบของสติตอบได้ทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจเรานีง เห็นแจ้งตามความเท็ความจริงเป็นเจนที่วัดได้ถ้ามีสติเราก็มีได้ผู้เขนเข้าเกยื่อถอนออกผู้สึกตัวเราก็รู้ได้เป็นความรู้ที่เป็นเจ้าเรือนอยู่ในกายอากายเป็นที่ตั้งก็อยอมเหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนที่สุด ไม่มีใครไม่เห็นเห็นที่ตรงกันข้ามที่สุดก็เห็นความหลงในรูปแบบต่างเกิดกับกายกับใจมันก็คือความหลงเมื่อเราปึงหัดไปก็เห็นได้เปลี่ยนหลงเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนเล่าโดยเฉพาะในเรื่องของ อเอาหนามมาทมนี่มิจฉาชีพเกิดจากความคิดมากไปพอให้เป็นสุขเป็นทุกข์จากความคิดเกิดไหลขึ้นบ้างไมาเกิดจากความคิดแล้วก็ได้เห็นมันก็สักแต่ว่าบางทีก็เกิดจากความคิดกับเหการที่ก้เกิดขึ้นมา เป็นพวงไปถ้าเรารู้จักตัวความรู้จักตัวกับมาที่กรรมาฐานสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีค่ามันก็ทำได้ความหลงเกิดขึ้นมาเป็นความรู้ความสุขเกิดขึ้นมาเป็นความรู้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นความรู้มันก็แยกตรงนี้ ถ้าหลงเป็นหลงมันก็ไปทางอื่นถ้าหลงเป็นลูกก็ไปอีกทางหนึ่งถ้าสุขเป็นสุขก็ไปทางหนึ่งถ้าสุขเป็นลูกก็ไปทางหนึ่งมีสองทางถ้าเป็นทางก็เป็นทางบวกเป็นทางลบเป็นอารมณ์ของเป็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจมีบวกมีลบ ความโอความโลภนี่ไม่ใช่เรื่องศัจธรรมเป็นสมมติบัญญาติปนาการที่เกิดขึ้นกับความหลงบัญญัติเอาที่ว่าดีที่ว่าไม่ดีที่ว่าเหตุที่ว่าถูกที่ว่าสุขว่ทุกข์ที่ว่าชอบไม่ชอบถ้ามีสติก็จะเห็น หลงก็เห็นมันหลงเท่ากันมันรู้เห็นมันรู้มันสงบก็เห็นมันสงบมันพุ่งส่านก็เห็นมันพุ่งสรานมันผิดก็เห็นมันผิดมันถูกก็เห็นมันถูกนี่คือสติจึงเป็นสัจธรรมตาโศกเป็นโศกทุกข์เป็นทุกข์ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกสงบเป็นสงบพุ้งสรานเป็นพุ้งส่านไม่ใช่สัจธรรม เราจึงมีวิธีทำที่ที่ทำได้ให้สัมผัสเอาเมื่อเราเชิญบัดเอาก็รู้จัก ส, สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นจธรรมและเป็นสมมติมันก็ไปเหนือเหนือแบบนี้ถ้าเห็นถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข มันเป็นรสของโลกต่อเห็นมันสุขมันทุกข์มันเป็นรสของธรรมรสของธรรมย่อมจะรสท่องปวงเห็นมันสุขเหมันทุกข์หนึ่งเป็นรเดียวรถของโลกมีหลายรสแต่รสของธรรมมีรสเดียวรถ พระธรรมย่อมเชิญโลดต้องปวงคือมีคือมีแบบนี้เห็นเหมือนสุขเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธคือเห็นเนี่ยเป็นโลดเมื่อเห็นเราก็สัมผัสเป็นทางที่ทําให้เกิดการหลุดพ้นได้ในวิธีปฏิบัติที่เราได้สัมผัสกันอยู่นี่เห็นกับ สัมผัสได้กับชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่ไปมีคำถามอาลอยอะไรมาเกิดขึ้นมาอาอยาดวนรับวนตัปฏิเสธให้รู้สึกตัวกับมหาที่ตั้งไว้ก่อนอย่าคำตอบจากความคิดเราเคยชินต่อคำตอบจากความคิดหลัดนี้ให้มีสติอย่าเพิ่งตอบมันกลับมารู้เช่ ก, ก่อน อะไรให้มาลงที่รู้สึกตัวเจ๊ ก, ก่อนกานรฝึกใหม่ๆรู้สึกตัวก็ถือว่าฝึกตัวเองถ้าไม่รู้สึกตัวยังไม่ได้ฝึกเลยถ้าสุกเป็นสุกไม่รู้สึกตัวยังไม่ได้ฝึกผวามคิดปล่อยให้ตัวเองคิดไปยังไม่ได้ฝึกอุปกรณ์เมื่อค้นคิดในลงที่คุ้นคิด ไม่มีสติหรือว่าเป็นคนเกียจค้านส่วนผู้ใดเมลามันคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดแต่มีสติถือว่าเป็นคนขยันเหมือนคนปลาลกควมเพียรความเพียรความเพียรกานไม่ใช่ว่าจะเดิ น, านนานๆจะนั่งแ น, นานมันเป็นการกระทาทางจิตการคําเพียทางจิตไม่ใช่การกระทาที่มัน เน้นที่กายอย่างเดียวเอาการกระทำอย่างอื่นที่เป็นที่ตั้งไว้ใช่เดินแปชั่วโมงนั่งแปชั่วโมง น, นั่นถ้าปล่อยตัวคุยคิดในลมที่คุณชิดม่วงเหงาหอนมันก็ยังเป็นคิว่าเป็นคนเกลียดข้านอยู่ส่วนผู้ที่ไม่เกลียดข้าน จะไม่ได้อยู่นะอีบทเดินจิงที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาทุกันณะจะเป็นความหลงก็ดีเป็นความผิดความถูกอะไรก็ดีมันเกิดได้ในรูปแบบต่างๆโดยพวกความคิดเนี่ยมันเกิดได้ทุกรูปแบบไม่ใช่เดินมันก็เกิดได้ไม่ใช่นั่ก็เกิดได้ อยู่ในอริบุตรไหนมันก็เกิดได้ยังให้มีสติให้มันทนันเพราะเราเคยฝึกไว้ก็จะได้ใช้ให้มันทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาโตอตอบทักท้วงตรวจสอบได้เห็นสิงเดียวเห็นเกิดเห็นหลายข้างหลายโหนเมื่อเห็นสิ่งเดียวที่มันเกิดขึ้นหลายข้างหลายโหน เช่นความคิดอาจจะเกิดมากกว่าทางทางรูปรธรรมทางกายเน่ทางกา ย, ากายมีวัตถุที่ทำให้เกิดขึ้นมามีตามีหูตาก็จะเห็นแต่เมื่อมันมีรูหูก็จะได้ยินแต่เมื่อมันมีเสียงจมูกจะได้กินก็มันมีกิน ดินจะมีรสก็พันมีรสคอสัมผัสก็รู้จักร้อนอ่อนแสงเพราะมันสัมผัสส่วนจิตใจที่มันคิดนี่ไม่เกี่ยวกับบนันอื่นเลยไม่มีวัตถุอันใดที่มาเป็นคู่มันมีอารมณ์มันมีอ า, อาการที่ เ, เกิดขึ้นเองเรจึงไม่ใช่อริบุตริบทใดที่ต้องมอผลกกิดได้นอกจากมีสติ เวลามันชีดขึ้นมาก็อย่าไป ไ, ไปถึงความพอใจความไม่พอใจให้รู้จักตัวซะเวลามันชีดขึ้นมาไวๆเล็กน่อยโดยจกากความคิดที่ไม่ตั้งใจนี่เป็นตัวสมูทัยสังขาร เราจะมีสติรู้ทัรนมันรู้ทินมั น, น, มนไม่ใช่ไปจ้องดูมันนะแต่ว่าตั้งไว้ที่อื่นก่อนเช่นว่าตั้งไว้ที่กายเคลื่อนไหวไปมาเรื่องหายใจเข้าหายใจออกเหมือนมีที่ตั้งเหมือนมีที่ยืนเหมือนมีที่ดูมันจริงจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเกิ ด, กดขึ้นจะเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจ ก็จะกลับมาลูสึกตัวซะให้เปลี่ยนมาลู่ฉกตัวซะอยากคำตอบทำไมทาไมไม่มีคำ ว, ว่าทำไมปฏิบัติทรรมทำไมไม่เกิดจากความคิดมันมันเป็นไปแล้วจึงมีคำ ว, ว่าทำไมสติไม่มีคำ ว, ว่าทำไม ตีจะเป็นติเพียนว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ ว, เ, ออมล ว, ลวเมื่อรู้มากก็แล้วไปแล้วเมื่อรู้มากก็แล้วไปแล้วรู้สึกตัวก็รู้ไปแล้วยิ่งมีวิชีกำบาดฐานกลับมาหาที่ตั้งก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นได้พลังมากขึ้นได้พลังความรู้จากความหลงความหลงทําให้เกิดความรู้ทุกครั้งทุกคราว ความสุขทำใหเกิดความรู้ทุกข้างทุกข์าวความทุกข์ทำใหเกิดความรู้ทุกข้างทุกครขาวอะไรทิ้งไปใช่ควงมรู้มาให้เกิดควงมรู้ได้ทั้งหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ให้ไปตางนี้ก่อนตัดสินใจง่ายให้แน่วแน่ให้มั่นคงอย่าเพิ่งไปแปะ้งแคงแวกกับสิ่งอื่น สิ่งใที่เกิดขึ้นแบบกายกับใจให้มาถึงความรู้สึกตัวให้มันลงตัวตรงนี้เจงทีเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็คือโตอตอบทักท้วงตรวจสอบเปลี่ยนล้ายเป็นดีอันดีก็ถือว่าสมมติพูดเฉยๆเด้อเห็นผิดเป็นถูกก็ถือว่าสมมติพูด ถ้าพวกภาษาธรรมก็คือรู้นั่นแหละรู้นั่นแหละรู้แล้วนั่นแหละรู้แล้วมันเป็นดวงตาเป็นปัญญามันเป็นฌานเป็นศรรีลมันเป็นสมาธิแต่เป็นรสชาติของศีลก็คืออย่างนี้แหละรู้แล้วคือศรรีลเมื่อรู้ก็มันก็มีอีกสิ่งที่ทำให ตอไปอีกคือเหมือนเราเห็นงูเห็นงูกหนีจากงูพ้นจากงูก็ไม่ถูกงูขัดมันจ่ากนี้คือรู้การรความรู้ที่เป็นดวงตาภายในคือศีลคือสมาธิคือปัญญามันเป็นการหลุดพ้นมาใช่เหมือนตาเนื้อตาเนื้อมันเห็น เห็นแล้วก็ททำให้เกิดสมว่าปัญญอดพอใจไม่พอใจถึงใจต่นั้นเราจึงพยายามฝึกให้สติมันเจกก็ให้มันมากขึ้นมามากขึ้นมาโดยเอาใชกรรมฐานอย่าให้อื่นมาแซงเพาอันเมื่อมันอื่นๆเกิดขึ้นก็พยายามที่จะมีสติ มันจะรู้จักเข็ดหลาบแน่แต่ความคิดก็รู้จักเข็ดหลาบมันเป็นของหยาบที่สุดความคิดนี่ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาที่ทำบาปทำกรรมมันกรรมทางใจนี่มันหนักที่สุดเป็นโทษหนักถ้าเป็นคดีก็คดีหมายเลขหนึ่ง ส่วนกายส่วนวิจารเป็นคดีหมายเลขสองเลขสา ม, มันเกิดจากความหลงเกิดจากความคิดมันจึงเป็นเรื่องหยาบถ้ามีสติเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องหยาบที่สุดอ้ายแล้วไม่เป็นความผิดจากความคิดเจะแล้วมันไปว่าโทษหนักทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ เพื่อความคิดมันเจ็บเืออเจ็บตัวมันเจ็บปวดบ้างกว่าคนอื่นทําให้เราเป็นทุกข์ก็คนืนด่าเราเราไม่เจ็บปวดมากเท่ากับเราไปด่าเขาเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันเจ็บปวดบ้างกว่าคนอื่นทีาทำให้เราเดือด้อนไม่ใช่ความผิดของเรา คนอื่นทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่ใช่ความผิดของเราถ้ามองดูดีๆเมื่อก็ได้บทเรียนได้เห็นมันเป็นความเท็จความจริงอย่างนี้คนในโลกถ้าเราทำให้คนอื่นเดือดร้ อ, น, อนนี่นี้ไปเป็นมันเป็นความช่ําในหัวใจมากที่สุดเลยมันจึงรู้จักเข็ดหลาม มันหยาบที่สุดแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองทําให้คนเดือดร้นถรือว่าไม่เป็นไรคนอื่นถ้าเราเดือดร้อนหรือว่ามันยอมไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นะเราห้ามเขาไม่ได้เขาที่ทําำลายเราหรือเขาจะด่าเราอิจฉาเราเราห้ามเขาไม่ได้ในโลกนี้แต่เราห้ามเราเนี่ยห้ามได้ เหมือนเสือมันล้ายมันอยู่ในป่าจะไปฆ่าเสือให้ตายหมดมันเป็นแบบไม่ได้แต่เราต้องดูแลเราให้ปลอดภัยอันนี้คือสัจธรรมความทุกข์จะเกิดจากําทำให้คนอื่นเดือดร้อนเดี่ยมันหมกหมุมมันเป็นกรรมจริงๆแต่คนอื่นทำให้เราเดือดร้อนเขาเป็นกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเรา มันก็มันก็เห็นเช่นนั่นเหมือนกันเราก็ยอมรับ ว, ว่าเออมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้เห่นคนอืินหลงคนอืินหนึ่งไม่หลงคนหนึ่งที่หลงทำให้เราได้ผิดพลาดได้เห่นเดินทางขับรถเดินทางด้วยการคนหนึ่งหลงคนหนึ่งหลับเราไม่ได้หลับเขาก็มาชนเราถึงตายได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ความผิดของเรา เป็นความเบีดของคนอื่นนันก็เป็นอย่างนี้ตลวด้านนี้ถ้าจะให้อะไรมันถูกทั้งหมดมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราทุกชีวิตชวนกันให้มีสติดีๆจะได้ไม่หลงจะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นจะไม่ได้เบียดเบีย น, นกั น, แ, นแต่คิดมันก็ขมคือมันทับหน้าไม่เฉลียหลาบอายมากอายความคิดเ่ง นี่เป็นมาตรฐานของชีวิตชาวพุทธชีวิตชาวพุทธต้องเป็นชีวิตแบบนี้ไม่เบียดตนเองเด็ดไม่เบียนไม่เบียดเบียนตนเองเด็ดขาดไม่เบียดเบียนคนอื่นเด็ดขาดนี่เป็นมาตรฐานที่ตั้งไว้เด็ดขาดนี่คือชาวพุทธที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็สร้าง ความสมัคีไม่ทละลาวาดกับใครเขาจะอิจฉาเราก็ไม่เป็นมันก็จำเป็นแต่เราไม่ได้อิจฉาเขาถ้าชาวพุทธตั้งอยู่ตรงนี้ทุกชีวิตมันก็สงบร่องเย็นพุทธิตั้งอยู่ในชีวิตแบบนี้ไม่ค่อยจะมีพิษมีภยัย เราจึงต้องฝึกตนสอนตนที่เพื่อจะอยู่ในโลกแม่มันเกิดจากคนอื่นจะเงินแล้ว ก, ก็มากอยู่แล้วแต่มันเกิดจากเรานี่ยมากมายเหมือนกันเช่นความหลงตอหลงเป็นหลงเนี่ยไปชั่วบ่อยมากกว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือ น, นขนโคลงถ้หลงเป็นหลงไปชั่วบ่อยเท่ากับขนของโค ไปสู่สุกติเท่ากับเขาโขมันกลัวตรงนี้แต่ทุกเป็นทุกไปสู่อบายเท่ากับขนโขไปสู่สุกติเท่ากับเขาโขกลัวมากตรงนี้มันจึงต้องระวังกันตรงนี้ชีวิตของเราระวังตรงนี้ให้มันปิดอบายได้หลงเป็นลูกอะไรที่มันเกิดขึ้นมา เปลี่ยนมันเป็นรูทั้งหมดเยอยถ้าหลงเป็นรูไปสู่อบายเท่ากับเขาขู่ไปสู่สุกติเขาขนขู่สมผัสตาอย่างี้ใถ้าเป็นบุญเป็นบาปก็เป็นอย่างนี้บุญก็คือคือรูนี่บาปคือไม่รูบุญคือรูบาปไม่รู้พรารูก็มันก็ดี แล้เป็นใจใจก็ดีบาปก็ไม่รู้ใจก็ไม่ดีใจก็ลายใจล้ายก็เป็นนรกใจดีก็เป็นสวรรค์ไปซะเพราะไม่มีทุกข์ไม่มีความเดืดล่อนถ้ามีสวรรค์ก็เป็นสวรรค์แบบนี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปถ้ามีนรกก็มีนรกแบบนี้ ทำบาปเองย่อมเสราหองเองไม่ทำบาปเองก็ย่อมหมจดจดตัวเองการหมดจุดหรืการเศาหองเป็นของใครของมันทำให้งินไม่ได้ <c oughs> ต้องมีแต่เพียงการสอนวิธีให้ปฏิบัติให้กระทำเอาเองจึงแม้ก็เป็นการทําบุญนะปฏิบัติทำ เ, เป็นการรักษาชิน รู้จักปุนรู้จักบาปมันคือรูไปอย่างนี้มันก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่มันไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ได้ซื้อไได้หามีเงินเท่าไหร่ก็ชื่อเอาไม่ได้ใจดีใจเย็นเนี่ยชื่อเอาไม่ได้ต้องทำเอาต้องทำาอาใหมไ ม, ไม่ไม่ใช่ไปซื่อเอาไปใช่วิธีอื่น บุญในจาสนาะคือบุญที่กายที่ใจนี่ไม่ทำชั่วไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วนี่มีสติเต็มที่อายความชั่วัวหมากไม่แต่คิดก็อยากจะลูปหัวใจที่นี่ถ้าเราดื้อด้านก็เฉยได้นะคิดหลไรก็คิดได้บาีก็เป็น คิดแบบเป็นโจรเป็นผูล้ลอยทับลายอะต่างๆทำชั่วเพราะความคิดทำดีเพราะความคิดให้ความคิดพาทมไม่ใช่จริงจังเสมอไปต้องมีสติจับความคิดมาใช้ไม่ใช่ความคิดใช่ใช่ใชกาใช่ใจของเราแต่นี้ใจความคิดมันใช่ใจเรา มาอยู่ที่ใจเรามาเป็นทุกย่อมใจบางทีเราก็ถือว่าความโกรธคือใจเราความทุกข์คือใจเราทุกใจทุกใจความกลัวคือเราคือใจเราเห็นคนใจโลนบางคนก็มาบอกว่าผมเป็นคนใจโลน บางคนกเพื่อนบอกว่าเพื่อนผมเป็นคนใจโลนรู้ความผุลผนไม่ใช่มันไม่ใช่คนใจโลนมันอาการที่เกิดขึ้นกับใจต่างหากไม่ใช่ใจย่าเอาความร้อนใจร้นมาเป็นใจเป็นอาการเหมือนมาอาศัยใจเหมือนสารห ล, หลังนี้ สิ่งที่มาใส่ใจก็เหมือนพวกเรามาอาศัยสาหลังนี้เ ป, นเป็นพระเป็นขี้เป็นผู้ปฏิบัติสารังนี้ก็สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบถ้าโจรผู้ร้อยมาก็เสียหายถ้าหมามาก็ลุก ล, งลงุงหลองถ้างูมาอยู่อาศัยก็เป็นพิษเป็นพายใจเรานี่ก็เหมือนกัน ถ้มีพระมาอยู่จะในหัวใจดีเป็นคนดีประเสริฐใจดีใจเรียนถ้าเป็นผีมาอยู่ก็ใจโอนเราจะพูดถึงการปฏิบัติธรรมมันเป็นการตกแตง่งจิตใจเป็นการสร้างบารมีเป็นบุญจริงๆน่ยได้บุญจริงๆมีบุญจริงๆ แต่ก่อนไม่เคยเห็นบุญไม่รู้จักบุญไม่เคยกลัวบาปพอมาสร้างสติโอรู้จักบุญรู้จักบาปมันเลือกได้ชีวิตเหล่านี้มันเลือกตายจะว่าเป็นชาวพุทธแน่น อ, อนเอาพูดตรงแสดงออกมาใช่เป็นแต่เพียงชื่ออยู่ที่ไหนแสดงความเป็นเชาพุทธมีความดี เกิดขึ้นในการพูดการคิดการกระทำไม่เบี่ยเบียนตนเองไม่เบี่ยเบียนคนอื่นนเป็นบุญบุญคือรู้บุญคือใจดี้ ใ, ใจดีใจใจมันดีมันจึงทำชั่วไม่ได้อันดีใจที่ไม่ิด้ดา่าเขาก็ดีใจนะได้ข้าเขาก็ดีใจไปลักขโมยได้เงินได้ทองก็ดีใจอันใจดีมันทำชั่วไม่ได้ อันดีนีใจเนี่ยมันปนเพื่อนถ้าเป็นบุญมันต้องใจดีเป็นสว่างก็ต้องมีความสุขเพราะใจดีไม่เดือดร้อนถ้าเป็นนิพพานก็เป็ใจดีเพราะมันเย็นมันเย็นจนไม่พูไม่แฟบได้ที่เมื่าตรฐานไม่พูไม่แฟบชีวิตมั่นคง เพราะเมื่อฝึกได้แล้กวก็ไม่นนไหนีไปไหนมันมีที่อยู่มีปกติบ้านของจิตมีปกติเป็นที่อยู่วอาจะฐานไม่พูไม่แฟงถ้าจิตไม่ปกติหรือ ว, ว่าจิตไม่มีบ้านจิตจนจิตอาภัพเขาหอบเพ้ยวไปไหนก็ไปเคนว่าฝันกลางวันว่าคิด บางทีความคิดก็หยุดความคิดไม่เป็นปล่ให้นอนไม่หลบาบให้ิไม่ได้ไหเป็นสุขเป็นทุกข์บ่อยปกับโถมคิดนั่นถ้าเราไม่หัดมันกดร้ายหน่าใจของเราเนี่ยนันมีโลกมีเเป็มีสุโุกายมีสัตว์ประหานมนุษย์คนเราเนี่ยมันมีมันสมองสองชั่วกับชั่วสาเร็จ ควาดีก็ทำนี้ได้สำเร็จมันมีมันสมอง ม, มีมือมีอาวุธมีเครื่องมือเครื่องมือทำความชั่วก็มีเครื่องมือทำความดีคือกายคือใจเรานี่เมื่อกายใจแบ่งเกิดความดีก็มีเครื่องมืออื่นเกิดขึ้นมามีฉินมี ก็มีความพูดจาภาษาขอควางเท็จความจริงช่วยกันเป็นเห็นคนหนึ่งก็ช่วยกันไม่ห้หลงเห็นคนหนึ่งทุกคนรู้จักช่วยกันไม่ทุกห้ามกันอย่าโกรธเเพื่อนเลยอย่าโกรธเเพื่อนเลยไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ไ ร, ไไดรู้จักแก้ไข ทีนี้คนึึงโกรธคนหนึ่งก็โกรธตามคนที่โกรธก่อนอาจจะไม่เป็นบาปมากเท่ากับคนที่โกรธตามคนที่โกรธก่อนเขาโง่อยู่แล้วคนที่เกิดตามเขาก็งู้ไปถั่วเขาอู่เห็นเราก็เห็นนี่นี่เขเห็นตัวเราเมื่อเห็นตัวเราแล้วก็เป็นเจนฑี้วัดไม่ถูกต้องเราจึงใ้บ้านสถานของกันมาใช้ชีวิต ไม่มีอะไรที่จะศึกษาจบกันแล้วว่าอะไรไม่มีอะไรที่จ ะ, ะไปเป็นแบบนี้ที่ถิมาันะอาใช้กายอาศช้ใจมาได้มีแต่ภูตธรรมชาติตอมความเท็จความจริงที่มันมีในการในใจรวมไปเที่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะมัน ก็เป็นทุกข์ก็เป็นหย่างนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์พวกมันก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่ตัวเราหั้งที่เราสวดสูด้สงสารทั้งหลายมีความเชื่อมไปเป็นธรรมดาลบทมน้ำทำทำั้งหมดทั้งเท้นมันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเฉเจ็บเายไปรูปยลบทำน้ำทำทั้งหมดตั้งต้นไม่ใช่ตัวตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเห็นได้ไม่เที่ยงจึงนั้นเป็นทุกข์จิใจเป็นทุกข์มัควรถือว่าเราเราก็สวสดอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นทุกข์เพาะไม่เที่ยงไม่ได้เจ็บพค ว, วามเก็บไม่ได้ตายพความตายมีสจิตใมันเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่ความเจ็บผู้ความเจ็บเราจะบอกเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นบัดตายไม่เป็นผู้ตายไม่ตายผู้ควมตายไม่เลยไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นขวากับใจหรือว่าจบสิไม่เป็นอะไรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นขวากับใจม่ได้เห็นไม่เป็นเท่านี้เป็นที่สุดเป็นที่สุดเป็นมงกุฎธรรมในหัวใจของเรา เห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรที่เกิดกับความกับใจนี้มันก็จบได้มันก็มีอันเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่ความแจ็ก็อันเก่าความเจ็บก้อนเต่าความตายก้อนเก่าไม่หยกนี้จะติวก็เห็นอย่างนี้เลยไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายพความเจ็ไม่ตายพความตายไม่เจ็บผูรความเจ็บให้เลยสัมผัสเรื่องนี้ตั้งแต่นุ่มนุ่มสาวสาวนุ่มน้อย จะมีชีวิตที่ปลอดภัยพยายามนานสังกรมจุเจนเป็นโชคเสียสมควรจะเวลาวันหนึ่ง